กอนพระดาพระราชาบางพระองค์ทรงมีบรพภูปนิสัยในทางธรรมแม้สเสวยสุขอยู่ในราชสมบัติอันมหาชนใฝ่ฝันหากันนักก็ยังทรงมีพระไทยน้อมไปในการสแสวงหาธรรมเช่นพระราชากบินะแห่งกุกกะกุตตว ด, ดีนครเป็นผู้ทรงสละโลกไปเพื่อธรรมเรื่องที่น่าสนใจดังนี้ในอดีตการนานไกล พระราชากปินะเกิดเป็นหัวหน้าช่างหูกในหมู่บ้านหนึ่งใกล้นครพาราณสีครั้งนั้นมีพระปัเจพุทธเจ้าประมาณพันรูปพักอยู่ไม่ไกลจากนครพาราณสีเมื่อถึงฤดูฝนท่านต้องการทําเสนาสะนะที่อยู่อาศัยจึงส่งพระปัเจพุทธเจ้าแปดรูปเป็นผู้แทนไปฟ้าพระราชาเพื่อทูลขอพระบรมราชานุเคราะห์ในการสร้างเสนาสะนะเบืงเอิญเวลานั้นเป็นเวลามีงานมงคลแรกนาขวัญ พระราชาทรงมีพระราชภารกิจยุ่งอยู่ถึงกระนั้นเมื่อทรงทราบว่าพระปัจเจก พ, พุทธเจ้ามาเฝ้าก็เสด็จออกมาต้อนรับทรงทราบความประสงค์ของท่านแล้วจึงตรัสว่าพระคุณเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยเพราะกําลังเตรียมงานแรกนาขวัญซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้เมื่อเสร็จงานแรกนาขวัญแล้วข้าพเจ้าจะทําเสนาสนะถวายในวันมะรืนนี้แม้ตรัสดังนี้ก็ตาม แต่ไม่ได้ทรงอาราธนาพระปัจเจตพุทธเจ้าไว้พระประเจตพุทธเจ้าดําริว่าเราควรไปขอความอนุเคราะห์จากที่อื่นดังนี้แล้วรีบไปขณะเดินทางกลับได้พบพัญญาของหัวหน้าช่างหูนางถามทราบความแล้วมีจิตเลื่อมใส นี ม, มนให้รับอาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพวกเรามีมากด้วยกันน้องหญิงพระปัจเจกุทธเจ้าบอกมีประมาณเท่าไหร่ท่านผู้เจริญนางถามมีประมาณพันรูปท่านผู้เจริญผู้ข้าพเจ้ามีประมาณพันคนเหมือนกันคนหนึ่งจะถวายพิษาแดดพระคุณเจ้ารูปหนึ่งขอท่านจงรับพิษาที่บ้านของข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าผู้เดียวจะทําที่อยู่ถวายท่านทั้งหลาย พระปเจผพุท่เจ้ารับอาราธนานางเสร็จธุระแล้วกลับเข้าไปในบ้านเที่ยวเปล่าประกาศให้เพื่อนบ้านทราบว่าได้นิมนต์พระปัเจผู้ทธเจ้าพันรูปไว้ขอท่านทั้งหลายจงจัดแจงที่นั่งจัดอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นนางได้สร้างป ร, รามใหญ่กลางบ้านให้ปูอาสนะไว้เรียบร้อยเลี้ยงพระปเจผู้เท่ทเจ้าด้วยโภชนะอันประณีเมื่อเสร็จพัตฒกิจแล้วนางได้พาหญิงบริวารพันคน นมรสการพระปัจเจ้พุทธเจ้าแล้วขอให้ท่านรับปฏิญญาในการอยู่จำพรรษาที่นั่นเมื่อท่านรับแล้วนางก็เปาประกาศขอแรงเพื่อนบ้านให้ช่วยกันสร้างเสนาสนะถวายในวันออกพรรษานางได้ชัญชวนคนทั้งหลายให้ถวายจีวรแก่พระปัจเจ้พุทธเจ้าที่อยู่ในบรรณศาลาของตนของตนพระปัจเจ้พุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วลาจากไปนางและบริวารทําบุญอย่างนี้ ไปเกิดในพบดาวดึงมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นเกิดในกรุงพราณสีอีกหัวหน้าช่างหูเป็นบุตรของกุดุมพีใหญ่ปัญญาของเขาได้มาเกิดเป็นธิดาของกุดุมพีใหญ่เหมือนกันเมื่อเจริญไหวแล้วได้แต่งงานกันส่วนบริวารก็มาเกิดในสกุลกุดุมพีบริวารและได้แต่งงานกันเหมือนกันวันหนึ่งมีการเปล่าร้องให้คนไปฟังธรรมในวัด ผู้ ก, กุดุมพีเหล่านั้นก็ชวนกันไปไปถึงกลางวัดฝนตกลงมาคนพวกอื่นที่มีพิกษุหรือสามเณรเป็นที่คุ้นเคยก็เข้าไปอาศัยกุฏิของพิสุหรือสามเณร น, นั้นแต่ผู้กุดุมพีพันคนไม่มีญาติหรือพิสุสามเณรที่สนิทสนมเลยจตงยืนตากฝนอยู่กลางวัด หัวหน้ากุดุมผีรู้สึกละอายในสภาพเช่นนั้นของตนจึงกล่าวกับกุดุมผีทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงดูอาการอันน่าเกลียดของพวกเราเถิดเราควรทำอย่างไรล่ะนายปริวานถามหัวหน้าตอบเราต้องอยู่ในสภาพอันน่าเกลียดนี้เพราะไม่มีสถานที่อันมีคนคุ้นเคยเรารวบรวมสร้างเสนาสนะกันเถิดปริวานเห็นชอบด้วยจึงเรียรายรั์กันหัวหน้าออกพันหนึ่ง บริวารออกคนละห0 0พวกผู้หญิงออก250ร้าทำที่ประทับของพระาศาสดามีเรือนยอดพันหลังเป็นบริวารเมื่อทรัพย์ไม่เพียงพอได้ออกอีกคนละครึ่งของจำนวนเดิมที่ออกไปแล้วเมื่อเสนาสนะเสร็จแล้วได้ถวายมหาทานแก่พิสุสงมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขตลอดเจวันจัดจีวรถวายสงสองหมื่นรูปพัญญาของหูหน้ากุดุมพีได้ถวายพระอบ ดอกอังกาบและผ้ามีสีดอกอังกาบราคาพันหนึ่งแล้วกราบทุนพระศาสดาว่าด้วยอนุภาพแห่งทานนี้ขอหม่อมฉันจงมีสเตรระดุดดอกอังกาบในชาติต่อไปและขอมีชื่อว่าอโนชาพระศาสดาทรงอนุโมทนาชนเหล่านั้นทั้งหมดตายแล้วเกิดในเทวโลกมาในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมของเรานี้ คนเหล่านั้นลงมาเกิดในมนุษย์ยโสหัวหน้ากุฎุมพีเกิดในราชตระกูลในกุกกะกุจาวดีนครต่อมาได้เป็นพระราชาพระนามว่ามหากปิณนะคนอื่นๆเกิดในสกุลอมมาตได้เป็นราชบริวารส่วนพัญญาของหนันากุฎุมพีเกิดในราชตระกูลในนครสาคละแคว้นมัททะพระนางมีผิวดังดอกอังกาบมีพระนามว่าอโนชาสมพระปณิธาน เมื่อทรงเจริญใหวแล้วได้อภิเศกกับพระราชาพระนามว่ากัปปินะแห่งกุกะกุตาวดีนครแม้ทรงสวยสุขในสริราชสมบัติเยี่ยงพระราชาผู้มีปุญญาธิการอันเคยกระทำไว้แล้วมากก็จริง แต่ปูระภูปนิสัยอันเคยสั่งสมไว้กับพระรัตน์ตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คอยกระตุ้นเตือนพระไทยอยู่เสมอให้น้อมไปในการนายกามมศุขและน้อมไปในการสแสวงหาเนคคมสุขคือความสุขอันเกิดจากธรรมทรงรู้สึกว่าการมมศุกเจืออยู่ด้วยทุกข์เจือด้วยความวิตกกังวลมีภยัยมีเรื่องต้องหวาดระแวงมากรูปเสียงกลิ่น รถและโพธพะอันรวมกันเป็นกรรมคุณนั้นเมื่อมองด้วยสายตาของผู้มีปัญญาแล้วก็เป็นบ่วงดักสัตว์โลกให้ติดอยู่ข้องอยู่พัวพันลุ่มหลงอยู่ภัยพิบัติอันตรายต่างๆก็ตามมาเพราะความลุ่มหลงมัวเมาในกรรมสุขนั้นเหมือนเนื้อที่ติดบ่วงพระองค์เป็นพระราชาทรงมองเห็นตัวอย่างของประชาชนเป็นอันมากที่ต้องถูกจองจาทาโทษ แม้ถูกตัดสินประหารชีวิตก็มีเพราะกระทำผิดอันมีการเป็นเหตุเป็นปัจจัยบางรายคมขืนสตรีบางรายประพฤติผิดในพัญญาของผู้อื่นบางรายแย่งสามีกันทุบตีกันบางรายมีลูกมากเกินไปหาได้ไม่พอใช้ต้องประพฤติ ท, ทุจริตในทรัพย์สินของผู้อื่นบางรายแย่งหญิงคนเดียวกันต้องทุบตีฆ่าฟันกัน บางรายความรักไม่สมหวังตั้งตรอมใจจนสิ้นชีวิตหรือทำอัตคาตกรรมความทุกความเดือดร้อนวุ่นวายเหล่านี้ล้วนมีกามเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งสิ้นทรงเห็นด้วยปัญญาว่าโลกของกามเป็นโลกที่รกชัดดึ่งเยงเศร้าหมองไม่ปลอดโปรง่งความสุขที่ปราจากามน่าจะเป็นความสุขที่ละเอียดประณีดผองแผ้วไม่ต้องระแวงภัย ไส่เล่าจะเป็นผู้นำทางพระองค์ให้เดินออกไปจากรกชัดหรือเรียวหนามแห่งกามนี้เสียได้ทรงทราบว่าอัครบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นแหลสามารถชักจูงคนให้พบความสุขที่สงบประณีตไม่เกี่ยวด้วยกามแต่บัดนี้บุคคลอย่างนั้นอุบัติขึ้นในโลกแล้วหรือไม่ทรงใหราชบุรุษเที่ยวขี่ม้าสา ะ, ะแสวงหาอยู่ แต่ยังไม่ได้ข่าวเลยวันหนึ่งพระราชาทรงม้าชื่ออุปัตตเสด็จไปยังพระราชอุทยานมีอามาตพันหนึ่งแวดล้อมเป็นบริวารทอดพระเนตรเห็นพวกพ่อขาม้าประมาณห0 0รมีอาการอ่อนเพลียทรงดําริตว่าคนพวกนี้เดินทางมาจากเมืองไกล คงจะมีข่าวดีอะไรบ้างจึงรับสั่งให้พวกพ่อค้ามาเข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องราวต่างๆส่งทราบว่าพวกพ่อค้านั้นมาจากเมืองสาวัตถีมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างในบ้านเมืองของท่านพระราชาตรัสถามไม่มีพยกระพ่พ่อค้าม้าทูลตอบมีแต่ข่าวการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพอได้สดับว่าพระพุทธเจ้า กระธรรมและพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกแล้วเท่านั้นพระสรีระของพระราชาก็เปี่ยมล้นด้วยปิติทั้งห้าทรงตื้นตันพระไถยทรงถามซ้ําถึงสามครั้งเมื่อได้รับการยืนยันแน่นอนจึงพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้าม้าเหล่านั้นสามแสนค่าที่นําข่าวรัตนะทั้งสามมาให้ทรงทราบ พ, พระราชาตรัสกับอํามาตย์ทั้งหลายว่าพระองค์จักไม่เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังอีก จากเสด็จออกบวชในสำนักพระศาสดาอมาตย์เหล่านั้นก็ถวายปฏิญญาว่าจะตามเสด็จด้วยพระราชาจึงทรงพระราชสารถึงพระนางอโนชาเทวีว่าให้พระนางเสวยราชสมบัติแทนพระองค์ฝากไว้กับพ่อขาม้าให้นําไปถวายพระเทวีพวกอมาตย์ก็เขียนสารถึงพันยาของตนของตนเช่นนั้นเหมือนกันพระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยานมุ่งพระพักสู่นครสาวัตถี แม้อมาต์ทั้งพันก็ตามเสด็จเช่นกันช้า ว, วันนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกได้ทรงเห็นเรื่องราวของพระราชามหากปินญะ และพระอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลแล้วจึงเสด็จมาแต่เช้าเสด็จมาต้อนรับพระราชามหากปินญะสิ้นระยะทางหนึ่งรยี่สิบโยต์ประทับนั่งเปล่งรัสมีอยู่ใต้ต้นไซใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคาพระราชาเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำหนึ่งชื่ออรารวะปฉาเมื่อไม่มีเรือหรือแพจะข้ามจึงตรัสว่า เมื่อพวกเรามัวคิดหาเรือหรือแพอยู่ความเกิดย่อมนำไปสู่ความแก่ความแก่ย่อมนำไปสู่ความตายเราไม่มีความสงสัยในคุณพระรัตนตรยัยเราบวชอุทิศพระรัตนตรยัยด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นขอน้านี้อย่าได้เป็นเหมือนน้าเลยดังนี้แล้วระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วทรงขับม้าลงในแม่น้าพร้อมด้วยอมตพันคน มาทั้งหลายวิ่งไปเหมือนวิ่งบนแผ่นหินปลายกีบก็ไม่ได้เปียกน้ำทรงพบแม่น้าอีกสายหนึ่งชื่อนิลวาหนาทรงระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นข้ามแม่น้ำนั้นไปโดยนายก่อนเมื่อเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำจันทภาคาทรงระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแล้วส่งน้อมพระมนต์อธิษฐานให้ม้าข้ามไปได้โดยในก่อนเมื่อสงข้ามแม่น้ำจันทภาคาได้แล้วได้ทอดพระเนตรเห็นรัศมีหกสีอันพุ่งจากพระเสรีระของพระาศาสดากิง่งขาคบและใบของต้นไทรมีสีดังทองคาพระราชาทอดพระเนตร เห็นสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นจึงทรงดรําริว่าแสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงจันทร์แสงอาทิตย์หรือแสงสว่างแห่งเทวดามารพรหมเป็นต้นการที่เราออกบวชพุทิพระมหาสมณโคดมนั้นพระองค์คงจักทรงรู้แล้วเสด็จมาต้อนรับเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วจึงเสด็จลงจากหลังมา้าน้อมพระกายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามสายแห่งพระราชมี เสด็จเข้าภายใต้พระรสมีพระหนึ่งดำลงไปในมโนศิลารถถวายบังคมแล้วประทับนั่งอยู่พร้อมด้วยอมมาทั้งพันคนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงต้อนรับและทรงแสดงอุลุปพิกถาเมื่อจบอุลุปพิกถาพระราชาและบริวารได้สำเร็จโสดาปติผลได้ลุกขึ้นทูลขอบันพระชาอุปสมบทพระาศาสดาทรงใคร่ครวญว่า บาตรและจีวรอันสําเร็จด้วยฤทธิ์ของคนพวกนี้มีหรือหนอทรงทราบด้วยพระยานว่ามีเพราะอานิสงส์ที่เคยถวายจีวรแก่ปัจเจกพุทธเจ้าและพระสงฆ์สองหมืนรูปมีพระพุทธเจ้าประมุขในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะดังนั้นการที่พวกเขาจะได้บาตรและจีวรอันสําเร็จด้วยฤทธิ์จึงมิใช่ของอัศจรรย์ดังนี้แล้วทรงเยียดพระหัตต์ออกพลางตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบเถิดกุลบุตรเหล่านั้นมีพระราชากปินะเป็นประธานได้บวชสมความปรารถนาฝ่ายผู้พ่อค้ามา นำความทั้งปวงไปกราบทูลพระนางอโนชาเทวีพระนางทรงทราบแล้วทรงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระราชาทรงเต็มตื่นไปดูดพระปิติโสมนัสพระราชทานทรัพย์ให้พ่อคามา้าครั้งละสามแสนสามครั้งรวมเก้าแ0นรวมทั้งที่พระราชาพระราชทานด้วยเป็นสิบสองแสนคนเหล่านั้นได้รับทรัพย์มากถึงป่านนี้ด้วยเหตุเพียงนำข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรม และพระสงฆ์เท่านั้นพระนางอนุชาเทวีทรงดําริว่าการที่ยอมรับราชสมบัติที่พระราชาทรงสละแล้วนั้นเป็นเหมือนทรงคุกเขา่าลงรับก้อนเขละที่พระราชาบ้นทิ้งแล้วใครเล่าจากทำได้ราชาสมบัตินี้ได้นำทุกขมาให้ไม่เพียงแต่พระราชาพระองค์เดียวแต่ได้นำทุกมาให้เราด้วยเหมือนกันเราไม่ต้องการราชาสมบัติเราจักออกบวชอุทิศพระาศาสดาเหมือนกัน ทรงแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พัญญาของพวกอมาตะทราบแม้พัญญาของพวกอมาตเหล่านั้นก็พร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติและเครือญาติออกบวชตามเสด็จเสด็จข้ามแม่น้ำทั้งสามสายด้วยรถเทียมมาโดยทํานองเดียวกับที่พระราชาเสด็จข้ามเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วทูลถามถึงพระราชาสวามีว่าเสด็จออกบวชอุทิศพระพุทธองค์คงจะเสด็จมาที่นี่ พระผู้มีพระภาคเจ้าบรรดาลด้วยฤทธิ์มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนและรับสั่งว่าขอท่านทั้งหลายจงนั่งฟังธรรมก่อนท่านทั้งหลายจะได้เห็นสามีของท่านณนะที่นี้เองหญิงเหล่านั้นมีจิตร่าเริงยินดีว่าจะได้เห็นสามีของตนพระศาสดาทรงสแสดงธรรมคืออนุปุพิกถามีทานเป็นต้นให้หญิงเหล่านั้นบรรลุโสดาปติผลแล้วส่วนพระมหากัปปินณเถระ พร้อมทั้งบริวารทรงสดับธรรมเทศนาที่พระาศาสดาทรงแสดงแก่หญิงเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลณที่นั้นเองพระาศาสดาทรงทราบดังนั้นแล้วทรงคลายฤทธิ์ให้หญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนบวชเป็นภิกษุศรีรษะโลน้นนุ่งห่มผ้ากาสายะถ้าพวกเธอเห็นสามีก่อนได้บรรลุธรรมจิตใจจะฟุ้งซ่านไม่ดิ่งลงเป็นหนึ่งแต่เมื่อพวกเธอได้บรรลุโสดาปฏิผลแล้ว มีศรัทธาอันไม่คลอนแคลนแล้วพระพุทธองค์จึงให้พวกเธอได้เห็นสามีของตนไม่มีอันตรายในการประพฤติทธรรมอีกแล้วหญิงเหล่านั้นขอบวชพระาศาสดารับสั่งให้เดินทางไปบวชในสำนักพิษุนีที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์เองก็ทรงพาพิสุใหม่ประมาณพันรูปไปสู่วัดเชตวันเหมือนกัน บรรดาพิสุทั้งพันรูปนั้นพระมหากปินะเถระจะนั่งยืนเดินหรือนอนณนะที่ใดก็ตามเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอพิสุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระมหากปินะระลึกถึงความสุขในราชสมบัติจึงเปล่งอุทานดังนั้นจึงนำความข้อนั้นกราบทูลพระาศาสดาพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระมหากปินะเข้าเฝ้า ตรัสถามว่ากปินะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปารบกาเมสุขและสุขในราชสมบัติจริงหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ย่อมทรงทราบดีว่าข้าพระองค์ทรงเปล่งอุทานเพราะปารบกาเมสุขหรือไม่พระพุทธองค์ทรงทราบจริงจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายมหากปินะบุตรของเราเปล่งอุทานหาใช่เพราะปารบกาเมสุขไม่ แต่เพราะว่าปารบเนคข ม, มสุขนิพพานสุขจึงเปล่งอุทานเช่นนั้นดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าผู้อิมเอิบในธรรมมิใจผ่องใส ย, ย่อมเป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วดูก่อนประดาคนเราทุกคนรักความสุขชังความทุกข์เมื่ออยู่ก็อยากอยู่อย่างเป็นสุขเมื่อตายก็ขอให้ตายอย่างเป็นสุข การกระทำทุกๆอย่างของมนุษย์เราก็เพื่อให้ได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนความสุขเป็นความพอใจอย่างสูงสุด ข, ของมนุษย์มองเผินๆดูเหมือนว่ามนุษย์เรามีความต้องการมากมีจุดประสงค์ในชีวิตหลายอย่างแต่ความจริงแล้วการกระทำเหล่านั้นเพียงเพื่อให้บรรลุถึงความสุขอันเขาต้องการนั่นเองอาจเป็นเพื่อความสุขในปัจจุบันหรือในอนาคตที่เขาหวังไว มนุษย์เราจึงไม่ชอบคนที่ทาลายความสุขของเขาการศึกษาการทำงานความรักและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นต้นก็ด้วยมุ่งความสุขเป็นผลตอบแทนอาจเป็นความสุขส่วนตัวหรือผู้ที่ตัวรักหรือความสุขของคนทั่วไปแต่ผลแห่งการกระทำอย่างนั้นก่อให้เกิดความสุขใจแก่ตนอย่างน้อยตนก็พอใจที่ได้ทำอย่างนั้นบ่เกิดแห่งความสุขความพอใจ มีหลายอย่างและหลายระดับเราจึงได้เห็นคนสแสวงหาความสุขในทางต่างๆกันบางคนสแสวงหาความสุขทางกรรมเรียกกามาสุขบางคนสแสวงหาความสุขความพอใจด้วยการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมบางคนสแสวงหาความสุขจากการประพฤติ ธ, ธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอสวะกิเลสได้รับความสุขจากการประพฤติเช่นนั้นท่านเรียกว่าธรรมปิติ และนิพพานสุขโดยลำดับรวมความโดยย่อว่าโลกียสุขอย่างหนึ่งโลกุตระสุขอย่างหนึ่งมีความสุขอันเกิดจากธรรมเป็นต้นโลกียสุขทุกอย่างมีความสุขอันเกิดแต่กามเป็นต้นย่อมเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่มากก็ น, น้อยเป็นความสุขที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักส่วนความสุขอันได้จากการปฏิบัติธรรมจนใจสงบปราศจากนิวรณ์เป็นความสุขอันไม่เจือด้วยโทษมีความปลอดภยัย ธรรมปิติเช่นนี้มนุษย์ทั่วไปไม่เคยได้รับเป็นความสุขอันผ่องแผ้วประนีตกว่าเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมพอใจความสุขอันเกิดแต่ธรรมรังเกยียจความสุขทางกามอันปูถุชนผากันหลงไหลมัวเมากันนักจนถึงต้องทำความชั่วเพราะกามเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็มีอยู่เนือง ดูกรพราดาพระพิษุชรากล่าวเมื่อที่วากรเริ่มจะอสดงคดณขอบฟ้าด้านตะวันตกข้าพเจ้าได้นําเรื่องของท่านผู้สละโลกมาเล่าสู่ท่านฟังเป็นเวลานานหลายวันวันละเล็กวันละน้อยตามกําลังและโอกาสข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องของท่านผู้มีใจเด็ดเดียวยอมสละโลกียสุขซึ่งสละได้โดยยากนี้จะเป็นทิฏฐานุคติ และเป็นกำลังใจแก่ท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความหลุดพ้นอันไม่กำเริบอีกดูก่อนท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันศาสนาหรือพรหมจรรย์ น, นั้นจะสำเร็จผลได้กว้างขวางก็ต่อเมื่อประกอบด้วยองค์ห้าดังที่พระาศาสดาตรัสไว้คือ 1. มีพระาศาสดาที่เป็นเถระบวชนาน 2. มีภิกษุสาวกที่เป็นเถระมีความรู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ก ล, กล้า บรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะสามารถจะกล่าวพระสัตยธรรมได้โดยชอบสามารถแสดงธรรมได้อย่างน่าอัศจรรย์สามารถแก้ข้อข้องใจข้อกล่าวหาของผู้อื่นได้ 3. ม, มีพิษุนีสาวิกาที่มีความสามารถเช่นเดียวกัน 4. มีอุบาสกทั้งประเภทพรหมจรรยและประเภทครองเรือนที่มีความสามารถอย่างเดียวกัน 5. มีอุบาสิกาทั้งประเภทพรหมจารีณีและประเภทครองเรือนที่มีความสามารถอย่างเดียวกันเพียงแต่ขาดอุบาสิกาประเภทครองเรือนเสียอย่างเดียวพรหมจรรย์หรือศาสนาก็ไม่ชื่อว่าเจริญบริบูรณ์ดูก่อนพราดาข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะเป็นกําลังอันสําคัญของพระพุทธศาสนาก็การประกาศสิ่งใดเล่าจะประเสริฐเท่าการประดาศ ธ, ธรรมการปฏิบัติสิ่งใดเล่า จะประเสริฐเท่าการปฏิบัติธรรมและการบรรลุอะไรเล่าจะประเสริฐเท่าการบรรลุธรรมเราทั้งหลายจะต้องสถาปนาธรรมขึ้นในโลกเพื่อโลกจกได้ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากธรรมเสียแล้วโลกย่อมร้อนละอุแห้งผากเสมือนนาข้าวอันหาน้ําหล่อเลี้ยงไม่ได้ดูก่อนพราดาคิดให้ดีแล้วท่านผู้สละโลกทั้งหลายนั้นท่านสละโลกเพื่อโลกนั่นเองหาใช่เพื่อใครไม่ ท่านสละโลกไปชั่วคราวเพื่อกลั่นตัวให้บริสุทธิ์ให้มีคุณสมบัติดีเพื่อทําประโยชน์แก่โลกนั่นเองท่านจงดูเถิดดูน้ําทะเลที่ระเหยขึ้นไปกลั่นตัวเองให้บริสุทธิ์แล้วกลับลงมาทําประโยชน์แก่พื้นดินและพืชพันธ์ทั้งหลายรวมทั้งสัตว์จตุบทวิบาทด้วยพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายและพระมหาสาวกมีพระสารีบุตรเป็นต้นก็เป็นเช่นน้ําทะเลนั้นท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว ฝึกตนได้แล้วอาศัยความการุณาฝึกผู้อื่นด้วยเหมือนน้ำสะอาดช่วยชำระล้างสิ่งโสโครกทั้งหลายให้หมดมนทินฉะนั้นบุคคลผู้หมกมุ่นอยู่ในโลกจมอยู่ในโลกยากที่จะทำประโยชน์แก่โลกได้เพราะพวกเขามีความเห็นแก่ตัวอย่างเหนียวแน่นเพ่งมองแต่ประโยชน์และความสุขของตัวเรียกว่าเห็นแก่ตัวไม่เห็นผู้อื่นหรือเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่น อะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตัวแม้รู้ว่าชั่วก็ยังพอใจทําส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นแม้รู้ว่าดีก็ไม่อยากทําคนที่หมกมุ่นอยู่กับโลกจึงไม่ค่อยรู้จักความเสียสละที่แท้จริงรู้จักแต่ความเสียสละแบบเกี่ยวเหยื่อตกปลาจึงไม่ค่อยได้ความสุขใจในการทําความดีหรือในการเสียสละนั้นบางคนเป็นเพราะไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องความดีบางคน เป็นเพราะมีอาสวะหนาแน่นเกินไปทั้งนี้เพราะมิได้สดับธรรมของพระอริยะใจจึงมืดมนไร้ปัญญาจักสุพระดา จะมีภารกิจใดเล่าประเสริฐกว่าการสอนธรรมเพราะการสอนธรรมเป็นการให้ปัญญาจักสุกแก่มนุษย์ผู้ได้ปัญญาชื่อว่าได้ทุกอย่างทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติอันเป็นเครื่องระ ง, งับดับทุกทั้งปวงเป็นการปลดปลื้องภาระอันหนักที่ติดตามมนุษย์มาตลอดสังสารวัฏอันยาวนานแต่ผู้สอนธรรมนั้นต้องไม่เพียงแต่สอนจากกริมฟีปาก ต้องให้ทมนั้นออกจากใจของตนให้บานออกมาจากข้างในออกมาจากความรู้สึกอันแท้จริงของตนไปเถิดพราดาไปตีกรองธรรมให้ผู้มีโสดได้ยินไปส่องประทีพธรรมในที่มืดคือโลกอันมืดอยู่ด้วยโมหานี้เพื่อผู้มีปัญญาจักสุจะได้มองเห็นความจริง พระดาท่านเป็นผู้ถอนตนขึ้นจากโลกแล้วคือมีใจไม่ผัวพันด้วยโลกจึงเป็นผู้สมควรบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกเพราะผู้จะสามารถบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกได้แท้จริงก็คือผู้สละโลกนั่นเองหาใช่ผู้จมอยู่ในโลกไม่ ภิกษุปูนมชทิมวัยชื่นชมต่อภาษาของภิกษุชราลุกขึ้นอภิวาส ด, ด้วยความเคารพขณะที่นั่งประโยงประนมมืออยู่นั่นเองกล่าวว่าท่านผู้เจริญภาสิทธิของท่านน่าชื่นชมภาสิทธิ์ของท่านแจ่มแจ้งยิ่งนกะข้าพเจ้าขอจำภาษิทิ์ของท่านไว้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตทั้งเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นตลอดไปทินลกรรับขอฟ้าไปแล้วเสมือนม่านดำ ธรรมชาติถูกดึงลงยังความมืดให้แพ่ปกคลุมอยู่ทั่วไปแต่ดวงใจของพิสุทิ์ทั้งสองคงสว่างสดใสด้วยแสงสว่างคือปัญญาอันไม่มีแสงสว่างอื่นยิ่งกว่า